พวกเราจะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะท่านเป็นพระที่มีคนเคารพนับถือมากไม่ใช่เฉพาะยุทธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนะแต่ว่ารู้จักกันทั่วทุกภาคของประเทศคนก็เชื่อว่าท่านมีอิทธิปฏิหารมีนะความขลังนะมีข้อหนึ่งไฟไหม ตรงข้ามกับกุฏิของท่านนะไฟนี้ก็ไม่เข้ามาในวัดนะแต่ว่ากุฏิของท่านไม่ๆหมคนก็เชื่อว่าเนี่ยท่านมีของดีว่ารุ่งขึ้นก็มีโยมคนหนึ่งมามาบอกว่าเนี่ยมาขอมาขอพระนะมาขอของดีจากท่านนะ หลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเนี่ยก็พระผู้พระธรรมพระสงค์ไงละอันนี้ของดีผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม่ใช่หลวงปู่ผมหมายถึงพระที่เป็นองค์องค์อะนะที่กันไฟได้อะหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าก็พระพผู้พระทรมพระสงค์นี่แหละดีอยู่แล้วนะมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้แล้วอนผะู้ชายคนนั้นก็ทําหน้า ผิดหวังนะแล้วก็กลับไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่รู้ได้ของดีกลับไปหรือเปล่านะของดีในที่ว่านี่มันไม่ได้หมายถึงพระเครื่องนะแต่หมายถึงว่าพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์พอเขากลับไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านก็พูดกับลูกศิษย์ว่าหลวงปู่ท่านก็พูดกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยคนเรานี่ก็แปลกนะไอ้ของดีของแท้ของจริงไม่เอาจะเอาแต่ของปลอมนะ ของจริงคืออะไรนะก็คือพระผู้ประรรมประสงค์คือพระรัตนตรัยนั่นแหละส่วนพระเครื่องเนี่ยนะหลวงปู่ดูเรียกว่าเป็นของปลอมนะอีกคราวนึงก็ญาติโยงก็มาคุยกันเรื่องพระเครื่องนะก็คุยกันว่าพระเครื่องนะรุ่นไหนที่คลังนะส่วนใหญ่ก็ยกให้สมเด็จวระระคังนะว่าเป็นของ เป็นพักเครื่องที่ขลังนะหลวงพอ่อหลวงปู่ท่านก็นะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเสร็จแล้วท่านก็ภายหลังท่านก็พูดกับลูกศิษย์ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะจะหาของดีนะต้องหาของเก่านะพระเก่าจริงๆเนี่ยถึงจะดีและพระที่เก่าที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้านี่เก่าที่สุดนะเป็นพระองค์แรกเลย แต่คนไม่ค่อยสนใจนะคนไปสนใจแต่ของที่ตามมาลู่หลังๆนะพรกเครื่องนี่เป็นต้นให้ความหลงในพรคเครื่องนี้นะถ้าพี่พอประมาณก็ดีนะหลวงปู่ดูท่านก็ไม่ได้ขัดขวางนะท่านก็บอกว่าพรคเครื่องก็ดีนะแต่มเป็นแค่ของดีภายนอกนะต้องมีของดีภายในของดีภายในเนี่ยของแท้นะเพราะว่า มันมีอะไรมากระทบนะมันก็กระทบได้แต่กายหรือกระทบได้แต่ทรัพย์สินเงินทองแต่ว่ามันไม่สามารถจะกระเทือนมาถึงใจได้เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ใช่ว่าจะต้องอสวดหรือว่าอาราธนาเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจอย่างที่เราสอนเมือมอมอม่อเช้าเนี่ยนะ ผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วเห็นอเยสัตนะคือความประเสริฐสีประการนะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมักอันนั้นหละถึงจะเรียกว่ามีสารณะอย่างแท้จริงแค่นับถือพระพุทธธรรมประสงค์แล้วแต่ว่าไม่ทำความเพียรนะไม่มีปัญญาเกิดจนเข้าใจเรื่องอเยสัตรร4ีนะก็ถือว่ายังไม่มีหรือว่ายังไม่นับถือพระรัตนตรอ ย, อย่างแท้จริง คนเราก็ไปหลงเอาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมนะเป็นสารณะภูเขาป่าไม้นะรวมทั้งพระเครื่องด้วยสมัยที่หลงพ่อเทียนยมีชีวิตอยู่นะก็มีหมอคนหนึ่งซึ่งดูแลท่านนะก็เอาพระเครื่องมาให้ดูแล้วก็พูดว่าเนี่ยพระเครื่องเนี่ยขลังนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าขลังจริงหรือเปล่าก็เลยมาถามหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเทีนก็ถามว่าคนทําเนี่ยตายหรือยังหมอคนนี้ก็ตอบว่าตายแล้วนะภาะเครื่องนี้ก็ตกท่อมาหลายรุ่นแล้วจนกระทั่งมาถึงหมอหลวงพ่อเถียนก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดคนทำพาคเครื่องอยังตายเลยนะแล้วจะไปคาดหวังให้คนที่มีพาคเครื่องเนี่ยไม่ตายได้ยังไงนะยังไงก็ต้องตายคนทํานี่ม่ว่าเก่งแค่ไหนนะจริงๆแล้วแม้แต่ หลวงพ่อโตเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้ทําพักเครื่องนะสมเด็จพระรากครังนี่ท่านก็ก็มีวันที่ต้องมรณภาพลัสังขารไปนะอันนี้ก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพอมีพระเครื่องเราจะไม่ตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนี่ถ้าจะหวังนะคนเราเนี่ยถ้าจะหวังอะไรจากศาสนาเนี่ยนะจากพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยนะ อย่าหวังเพียงแค่ว่าให้อยู่รอดปลอดภัยนะแคล้วคลาดจากอันตรายหรือว่ามีโชคมีทรัพย์นะให้หวังสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นนะเช่นคุณธรรมความดีการสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าหวังไปถึงการพ้นทุกข์เลยก็มีเรื่องเล่า ว, ว่ามีพระหนุ่มเนี่ยจะมาสึกกับหลวงปู่ดูนะอยากจะให้หลวงปู่ดูจะมาะพรมน้ามนให้ หลวงปู่ดูท่านก็ไม่ขัดข้องนะท่านก็พรมน้ำมนต์ให้ระหว่างที่พรมน้ำมนต์พระหนุ่มรูปนี้เนี่ยก็อธิษฐานในใจนะนะว่าขอให้ร่ำรวยนะขอให้มีลาบนะขอให้มีทรัพย์สมบัติมีใช้ไม่มีวันหมดลาบผลเพิ่มพูนทวีคูณ น, นะจะได้เอาเงินมาแบ่งทำบุญบ้างนึกในใจนะพอหลวงปู่ ผมนงมองเสร็จหลวงปู่ท่านก็พูดกับพารูปนี้ว่าไอ้ที่ท่านหวังนี่ท่านคิดเนี่ยมันต่ำเกินไปนะทำไมไม่คิดสูงกันนั้นนะนะแล้วที่เหลือมันจะตามมาเองหรือที่คิดไปไว้นะี่จะตามมาเองนะพระหนุ่นั้นงงเลยนะใอ้ท่านรู้ใจเราได้ยังไงนะไอ้ที่ท่านหลวงปูด่ดูท่านพูดดีนะน่าคิดนะ ไอ้ที่ท่านคิดที่ท่านปรารถนาเนี่ยมันยังต่ำเกินไปทำไมไม่คิดให้มันสูงกว่านี้นะแล้วที่เหลือหรือที่คิดเนี่ยมันจะตามมาเองคิดสูงหมายถึงอะไรนะก็คิดเรื่องการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะถ้าหากว่าคิดและทำด้วยนะไอ้ที่เหลือเนี่ยนะหรือที่คิดไปแล้วเนี่ยเช่นความมั่งมีความร่ำรวยเนี่ยลาภผลเนี่ยมันมาเอง หรือว่าถ้าคิดไปกลายถึงขั้นนะพ้นทุกข์เลยนะนิพพานนะชีวิตนี้เนี่ยนะขอให้ได้เข้าถึงพระนิพพานนะไอ้รวยมั่งมียศทรัพย์ยังไรเนี่ยไม่ไม่สำคัญนะขอให้ได้เข้าถึงพระนิพพานนะอย่างนี้แหละนะที่จะเรียกว่าคิดสูงหวังสูงนะที่จริงคนเราเกิดมาก็ควรจะนะตั้งจิตปรารถนาสิ่งนี้ เกิดมาทั้งทีถ้าหวังต่ําไปนี่มังถือว่าใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่คุ้มค่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ควรจะได้เข้าถึงธรรมะเข้าใกล้พันธิพาให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้เราประโยชน์สูงสุดแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็น่าเสียใจนะหลายคนก็มองไม่เห็นนึกไม่ออกนะว่ามันมีสิ่งดีๆมากไปกว่านี้ไปคิดแต่ว่าเนี่ย คิดแต่เรื่องความร่ำรวยความมั่งมียศทรัพย์นะอันนี้ก็เรียกว่าหลวงปูด่ดูลท่านเรียกว่าคิดต่ำนะหมายถึงว่าหวังน้อยเกินไปนะไอ้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันสามารถจะให้อะไรแก่เราได้มากกว่า น, นั้นเยอะนะถ้าเราก็เตรียมรับพร